ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธพระธัรมพระสมขออาความเคารพ ข, ขุรบาอาจารย์โปรกำเขียนชานพิสารแล้วก็พระกร ม, ข ม, มแล้วก็ขอการคณะสมเพื่อนนากศึกมิตรแล้วก็เฉลิมพรให้ชื่อตุลมทุกท่าน ตามสบายนะครับก็ <c oughs> ได้ฟันข่าวนะเมื <c oughs> ่อเดินที่แล้วก็ข่าวที่มาน่นนาเศร้าใจก็คือว่าที่ญี่ปุ่นนะประเทศคนต่างก็มีเด็ก <c oughs> ชายกับเด็กหญิงเป็นนักเรียน มัธยมโมเน่ถามผู้ชายผู้หญิงเป็นสองคนถูกฆ่าตา ย, ยาคนผู้ร้ายเพราะว่าอะไรก็ผู้ชายาเด็กชายนักเรียนคนนี้ก็ ก็ที่บ้านก็ไม่ก่อยอยากอยู่เพราะว่าแม่เขาก็พาผู้ชายเป็นมาที่บ้านแล้วก็วันหนึ่งแล้วก็วัน งก็มีของผู้ชายของอื่นก็มากันมันแด่งกันก็ไม่ก้อยเด็กชายนี้ก็รู้สึกว่าแม่ก็ไม่รักนะผมก็เลยมันก็ไม่มีที่นั่นที่มีที่มีที่อยูนะ่บางก็มีอยู่แต่ว่า พ่อยาไม่อยากอยู่ที่บ้านแล้วก็ผู้หญิงเป็นเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งก็เหมือนกั น, มนไม่มีที่บ้านมันไม่ไ ม, มีไม่มีความอบอุ่นใจเพราะว่าพ่อแม่ก็ดา่าทุกวันทุกวันทำอะไร นี่ก็ว่าด่ากันก็เลยไม่รู้สึกความหมกปุญใจไม่อยู่ไม่อยากอยู่ที่บ้านเพราะว่าอยู่แล้วก็ก็ถูกว่าด่าตลอดก็เลยสองคนนี้ก็มันก็รนเรียนก็อยู่โรงเรียนที่เดียวกันก็จะ ว่าจะพักข้างนกเป็นแคมป์อยู่อยากเพราะว่าสองคนนี้ก็ไม่อยากอยู่บ้านก็เลยเอออยากอยู่ด้วยกันเป็นทิพเป็นแคมป์เป็นเทนต์ก็เอาเทนต์ไปข้างนอกแต่ว่ากลางคืนแล้วก็มันก็น่ากลัวก็เลย คิดจะเข้าในบ้านแต่ว่าบ้างคนเราก็ไม่อยากกลับบ้านก็ไลหาเพื่อน ต, ติดต่อโทรศัพท์ว่าจะขอพักที่บ้านของเพื่อนนงกลางคืนเที่ยงคืน แต่ว่าเพื่อก็ไม่ยอมรับเพราะว่ามันเกินดึกๆอาจจะพ่อแม่เขาก็เขาไม่ยันอนุญาตก็เลยเขาก็อยูเอ่เขาก็สองคนนี้ก็ก็เขา้เาร้านที่เปิดเป็นเซเวนนี้แล้วเป็นเข้าไป กินบ้านมีบ้านหรือว่าเดิมไปเดิมมาทีา่ร้านใกล้ใสถานีรถไฟนะยังมีร้านที่เปิดอยู่ตลอด24ชัมม่วโมงแล้วก็ มันเดินไปมีเก้าอี้นั่งก็เก้านั่นด้วยพักผอมแล้วก็เดินไปอะไรไอ้ตอนเช้าเนะี่ยก็พอดีมีคนพอขับรถมาต่อเรียกเขาว่าเป็นยังไงก็ เขาบอกว่าจะไปที่อื่นไปก็เขาก็ให้นั่นรถไปจะพาไปให้สองคนก็ดีใจจะขึ้นรถแล้วก็ก็ถูกฆ่าตายนะทั้งสองคนศพของเด็กก็กมันก็หน้า เครียดก็เสียดายนะพ่อแม่ก็บางคางหลังนองหายนะเป็นธรรมดาลูกชายลูกหญิงก็ก็ตายไปถูกฆ่าตายแค่ น, นี้ก็ก็มันน่เศร้าใจจริงๆแล้วก็ผมไม่ดีที่สุดก็คนที่เป็นผู้ร้ายนะ ฆ่าตายนะฆ่าเด็กตายทั้งสองคนแต่จริงๆแล้วก็ก็สาเหตุก็ยังมีอยู่ที่มันสำคัญสองข้อสองประการก็คือว่าสองคนนี้ก็ ที่บ้านนี่ก็ไม่มีความอบพนใจพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสนใจหรือว่าก็ทําลายด้วยกายด้วยวาจาตีบ้านหรือว่าไม่สนใจบ้านหรือว่าวาดากันนะก็เลยมันรู้สึกไม่อบพนใจ อยากออกจากบ้านถ้ า, าบ้างอบปนใจมันเด็กนักเรียนยามมหนึง่งนี่ก็ไม่ก็ได้ออกอยากออกอตอนกลางคืนตลอดคืนแต่ว่าไม่มีความปลใจก็ อ, กออกจากบ้านอันนี้ก็เป็นสาเหตุ ที่สำคัญที่เขาเอาถุกขฆ่าตายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ร้านก็คนที่มันทำการดึกๆที่ร้านก็มีเปิดอยู่แล้วก็คนที่ทำการกลางคืนก็เดินไปเดินมา ไม่ใช่มีคนไม่ใช่เมืองที่มันเป็นชนบทเต็มอยู่ในเมืองก็เลยมีคนแม้ว่าเป็นการเกินเที่ยงคืนที่หนึ่งสอนที่สอนนี่ก็ยังมีคนเดินไปเดิน ม, มาแต่ว่าแปลกใจก็ไม่ได้ผู้กับ เ, เด็ก สองคนนี้ก็เดินไปแล้วก็ไม่สนใจก็ไม่ก้ยเคยหรือว่าไม่ถามว่าทําไมจะนลางคืนดึกๆึกนี่ก็ยังนั่งเก้าอี้หรือว่ายัางเดินไปเดินมาไม่ได้กลับบ้านหรอ้อก็ไม่ได้ถาม มีคนเดียวที่จะถามก็นิดหน่อยคุยกันว่ า, อาตอนที่เขากินบะหมี่ก็เป็นอะไรบา้างไม่สนใจแล้วเขาก็ก็หัวเราะแล้วก็ไม่ก่อยได้คุยกัน ก, ก็เลยสองคนนี้ก็ไม่ได้กลับบ้าน ก็ตอนกลางตอนเช้าก็ก็ถูกจับนะถูกฆ่าตายปัน่นอันนี้ก็เราก็าเข้าใจว่าเห็นพี่บ้านนี่น่ามีมีความอบเพลนใจนะมันสำคัญพอแม่ให้ ความหมกมุญนใจต่อรูปแล้วก็น่าจะมีคนสนใจถามคุยว่าจะายังืนทำลายหรือว่าให้กลับบ้านก็โดยมันก็มีสาเหตุหลายอย่างก็มารวมกันก็ทำให้ อสองคนก็ถูกฆ่าตายนะแต่อันนี้ก็เรื่องจิตใจก็คนเราก็เหมือนกันเราก็จิตใจไม่มีที่บ้านนะก็ก็ไม่มีความหมดใจอบพนใจได้ แม้ว่ามีบ้านอยู่แต่ว่ารู้สึกมันเงาเงาเศร้าเศมันทุกข์ <c oughs> แล้วก็มันความคิดก็ออกไปอดีตก็ดีอนาคตก็ดีไปนี่ไปนั่นตลอดเวลาไม่มีโอกาสกลับบ้าน ก็มันมีปัญหามันก็เลยเริ่มตัว <S <S จช่นเนามีคนญี่ปุ่นที่มาจริงนะที่วัดปาสกตโตก็เคยมีนะคนที่เป็นไม่มีที่ว บ้านอยู่มันง่ไม่โม่นใจไม่มีพุ่นใจที่บ้านของเขาเขาก็พักที่รองแอร์ักที่สถานีรถไฟบ้านหรือว่าเป็นขั้นโนกเพราะว่ากลับไปแล้วก็พ่อก็มันกินเล้า อ, อ่าแล้วก็ ทำลายเขาด้เยเขาก็มันหนีจากบ้านก็พักนอนที่ก็สถานีรถไฟคนนี้ก็เหมือนกันแต่จริงก็โชคดีเขาก็ายังไม่ถูกก้าตายไม่ได้พบกับคนที่ผูร้ายก็ยังไม่ ยังไม่ตายอยู่แต่ว่าคนนี้ก็ดีมาวัดป่าสุกตัตโตแล้วก็เลาก็เจริญสติยกมือสั่นจังวะเดินจงกรมกเขาก็สองสามวันแล้วก็ก็เจอนี่เจอบ้านที่ในใจ ก็คือว่ากลับมาได้สิ่งที่กลับมาได้แล้วก็มีความอบพนใจอยู่ที่ใจชินชนแล้วของเขานี่ก็แม่ก็ก็มันจิตอา่าถูกพ่อทำลายดีอะไรต่างๆถูก ทุกวันตอนที่พ่อก็กินเล้าก็าไม่รู้สึกตัวก็เลยมันก็มีบาดเจ็บต่อไปอรถเขา้เขาขหล่มไปราานเพราะว่าถูกพ่อตีบ้านแล้วก็ หลังจากนั้นก็กาดตัวตายด้วยแล้วก็พ่อก็กินเหล้าเริมตัวก็เลยมันก็เป็นโรคหาเมาเหล้าเข้าลมแปรบมันสติมันเสียก็เลยมันก็เขาก็ออกจากบ้าน แล้วก็ไม่มีความอกุญใจทารอดมาแต่ว่ามาสุกตโตที่นี่ก็ทำความรู้สึกตัวสอนสามวันแล้วก็เขาก็บอกว่าฉันก็มีบ้านแล้วเพราะว่ากน กลับมาที่ได้แล้วก็รู้สึกกบผุนใจได้แต่กองก็คิดนี้คิดนั้นคิดยองอดีตว่าพ่อทำาลายันเสียใจมันจิตภาพนึกออกมาก็สิ่งที่มันทุกข์มันหลายเรื่องตลอดเวลา แต่ว่าเขาก็มาที่วัดป่าสุกระโตแล้วก็มีเพื่อนไงกาญจนมิตรทางชาวบ้านเราก็ดนีนักปฏิบัติก็ดีเขาก็มาคุยกั น, เ, นเอาใจใส่ดีก็พา ไปคุยอืมก็เขาก็รู้สึกก็ปนใจนะมากเขาก็รู้สึกก็อ่ที่หนีได้บ้านที่สอนเออบ้านที่หนึ่งหนะลวงพ่อก็คำเก่นหลวงพ่อคำแก่นก็เคยบอกนะคนยิบมาทุกครั้งนนะก็บอกว่าเออนอี่บ้านที่สอนคนนา่าก่บอก กทุกคนกรู้สึกขอบคุณใจนะมาไกลๆก็ก็ขมพอ่อก็บอกให้ว่าให้เป็นบ้านของคุณได้ที่นี่ก็เขาก็มันรู้สึกปุ่นใจแล้วก็ดิมปฏิบัติได้แล้วก็ที่ ม, มี ความอบภุ่นใจที่บ้านที่ใจได้ด้วยแล้วก็สตินี่ก็เป็นคนที่เป็นอดึงกลับมาที่บ้านได้ที่เมื่อคี่พูดเป็นเด็กชายเด็กหินถูกก้าตายตอนที่เดินไปเดินมาก็ไม่มีเรียดไม่มีคนเรียดหรือว่าไม่มีคนถามให้กลับบ้าน ไม่สนใจเลยเฉยๆแต่ว่ า, าสตินี่แหละมันก็เรียกหรือว่าจะดึงกลับมาที่บ้านที่จิตใจได้แม้ว่าล้มไปอดีคิดนึกออก สินที่มันก็ไม่ดีไม่งามมันเรื่องทุกเรื่องอะไรต่างๆก็ดึงกลับมาให้นเป็นหน้าที่ของสติให้กลับมาอยู่ที่ทบ้านใจหอบุญใจได้ ไปแล้วก็มันก็เลียกมากลับมาบางเราก็ก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก่อนนี้ก็บ้านเล็กๆตอนที่เราก็ปฏิบัติใหม่ๆก็ยังไม่มีเป็นบ้านใหญ่ ก็เลมันก็พักนิดเดียวก็ต้องออกไปชิดออกไปกันนอกแล้วก็เรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่ว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆก็บางก็ต่อขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าบ้างต่อขึ้นใหญ่ขึ้น ก็มีอะไรเกิดที่จิตใจก็เราก็ไม่เป็นไรมันจิตใจเป็นมั่งกลจิตใจเป็นสมาธิมากขึ้นแล้วก็สิ่งอะไรดีสิ่งอะไรเชั่วหรื่อ ชอบไม่ชอบแบทนาทุกแบทนาสุขเขามันก็ยอมรับได้แต่ไม่ได้ติดแก่ยอมรับเป็นเหมือนกับว่าเป็นรับแ ก, ก่เฉยๆไม่ได้ให้อยู่ตลอด ก็มีแต่ความดีความงามก็อยู่ด้วยกันแล้วก็พิจิตปิจารณาเห็นได้นะเชง่ว่าเป็นความความกรอดนะก็เกิดขึ้นถ้าดูดีๆ ก็เราก็ไม่ได้ออกเป็นว่าจากรดว่าดา่าก็ไม่ต้นหรือว่าเป็นทะเลาะ ก, กันกับคนนี้คนนั้นเอาตีเอาแตะอะไรต่านๆนี่ก็ไม่ต้นทำได้ เราก็กลับมากรอเฉยๆก็รู้ถ้าเห็นแล้วก็ไม่จิตไม่ถูกดึงกลับดิมไปหอบไปกันนก้นนอกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องกายเรื่องวาจานี่ไม่ต้องแสดงออกได้แล้วก็ให้กลับมา ยิ่ปฏิบัติก็ความกรอดก็เล็ดหล่นแล้วก็มันสั้นไม่บ่อยเป็น น, น, นานๆครันนนน้งหนึ่งนี่ก็ ค, อคอ่อยๆเล็กห่นสั้นลงถ้าเป็นความงึกงนิดนิดเดียว ก็มันก็สติก็กลับมาช่วยให้ดับไปได้นี่ก็เป็นอ น, นิสนเป็นสติเป็นผู้ที่ป้องกันไปอันตรายต่อไปก็มันก็ดูสึก ทุกทกตามเบธนาก็เราก็เห็นได้โดยไม่ต้นเป็นกรดมอหอในใจแล้วก็แล้วก็กพินิปิจารณา ให้แปรรูปได้นะความโกรดก็เพราะว่าเข้าใจว่าปางความโกรดนี่มาจากความอยากความอยากได้คนนั่งผู้อย่างนี้ผู้อย่างนั้นอยากให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นกับฉัน ก็มันก็เป็นความอยากความหวังแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำให้ดับฉันก็เลยมันก็ความโกรธมันก็เกิดขึ้นอ๋อนี่อย่างนี้แหละก็จริงๆแล้ว ความอยากโด น, นที่จะกรอดก็มีที่จิตใจของเราเศร้าใจไม่พอใจเพราะว่าไม่ได้ทำตามความหวานของตัวเองก็เลยว่าดา่าคนนี้คนนั้นปั่นครั้งก็ว่าดา่า ตองแอนว่าทําไมว่าผู้อย่างนี้หรือว่าทำไมกรดอย่างนี้ก็เราก็ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แหละก็มีความอยากมันก็ไม่ววนไม่สมหวนก็เลยมันก็ความกรธมันก็เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย ก็เดยเราก็ยอมรับมันความที่ ม, มันขัดเคือนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ดับไปได้มันด้วยปัญญามันก็เข้าใจธรรมะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดขึ้นอาการ แม้ว่าเป็นความโกรกก็ดีแล้วก็อารมณ์ต่างๆก็มันก็มีเหตุมีปัจจัยไม่เที่ยมไม่เป็นทั่วไม่เป็นตุม่มแผ็นทุกข์ก็ค<บ>่อยๆเก่าใจแล้วก็มันก็ยอมรับครามกี้ก็อกบอกว่าแปรรูปได้ ความกรอดก็มันก็แปลรูปได้เหมือนกับว่าเป็นแผงดอกเบือก็เกิดขึ้นจากาดินที่มันก็สกโกปรกแต่ว่ามันให้กี่งามได้ก็ความกรอดก็เป็นเหตุให ความดีความงามได้หรือว่าความผิดพลาดก็ทำให้สำเร็จก็ได้แช่งว่าเราก็คิดเคยมันเป็นทุกข์ใจเพราะว่ามันก็ผิดพลาดทำงานผิดพลาดหรือวาอ่าอยู่กับเพื่อนว่าผิดพลาด มันก็ทุกใจมันก็เป็นสัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตใจแต่ว่าเราก็ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องวาาว่าด่าคนนี้คนนั้นราได้มันอดีตก็ผ่านไปไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีคนที่วาดาเราหรือว่าสิ่งที่ถูกสิ่งที่มันปิดผาามันก็่ามไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องอว่าดาตัวเองก็ได้หรือว่าไม่ต้องคิด ว่ามันไม่สำเร็จเสียใจเสียใจก็ไม่ต้องแต่ว่าเราก็นึกอดีแผนสินที่เป็นผิดพลาดแล้วกออ็แล้วก็พิจารณาดูว่าออตอนนั้นก็ผิดพลาดเพราะเหตุอย่างนี้อย่างงั้นต่อไปก็ ก็จะทำอย่างนี้ก็จะได้สำเร็จได้อันนี้ก็มันก็แปรเรืปอได้ความผิดพลาดทำให้เป็นสักการสำเร็จเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เกิดขึ้นในใจ แม้ว่าเป็นสิ่งที่มันทุกขเพ่งความโกรธก็ดีมันอารม์ต่างๆแล้วก็ความคิดต่างๆถ้าเราก็ยอมรับรู้สึกตัวไม่ได้ติดกับมันก็เป็นเจ้าของมันแล้ว ก, ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียน เป็นูบาอาจารย์เป็นได้การเจริญสติของเราก็จริงๆไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นที่จ่ายทุกสินทุกอย่างเพราะว่า อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดหรือว่าการเป่งเบตนาสัญญาสังกามิ ญ, ญานถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ได้จิตกับพวกนี้เป็นคันท่าไม่ได้แป็งอุปฐานขางต้องคันทั้ง5า ให้คันท้าให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปและปัจจุบันนี้ได้ธรรมะก็ไม่จำกัดการเราก็คิดว่ า, าดีก็อยู่ที่อดีตแต่ว่าจริงๆและอดีตก็มันก็เกิดขึ้นจากการรมที่เราก็กำลังทำกันอยู่ ก็มันกิขึ้นในปัจจุบันแก้ไขได้ก็ปัจจุบันความทุกข์ก็แปลรูปเป็นสุขหรือว่าเป็นบทเรียนก็ได้ปัจจุบันขอมีสติคนที่มีสติหรือว่าฝึกสติก็ขอมีสิทธิที่จะ เป็นแปลรูปให้เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าให้เป็นสิ่งที่มีค่าได้เรื่องจิตใจถ้าเราไม่ฝึกแล้วก็มองไม่เห็นแต่ว่าฝึกไปฝุกมาก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าเห็นแล้วก็เราก็ทำอะไร ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองแล้วก็เอาแผลรูปได้แล้วก็แจกสิทางงานทีงามให้เพื่อนครอบครัวก็ดีที่ทางการที่ด้วยกันก็ดีแจกไป <c oughs> หมกับว่าเราก็ทําหารเก่งๆอร่อยแล้วก็มีมีค่าก็จะแจกให้ของอื่นฐานด้วยก็จะเกิดกมติตาเฉดมังอานโมธนากติใจด้วย ไม่ใจดีใจคนเดียวก็ต่ดีใจด้วยกันความยินดีด้วยกันได้เพราะฉะนั้นนี่พวกเราก็อกันตรดีคนที่ญี่ปุ่นที่มาที่นี่ทุกคนทุกคนก็รู้สึกว่าอ้อฉันโชคดีจริงๆทุกคนบอกนะเพราะว่า ไม่หรือการเจริญสติก็อาจจะทาตา ม, ตามความเคยชินอันตลอดชีวิตคนที่ทุกข์ก็ทุกข์ไปทุกไ ป, ก ไ, ปไม่มีฐานที่จ ะ, ะเปลี่ยนเป็นชีวิตได้ แต่ว่าทุกของที่มาที่นี่ก็เออก็เข้าใจด้วยตรงแอนว่าออนี่แหละพวเราก็ทำจิตให้เป็นอบผลใจด้วยตรงแอนได้ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อะไรเขาด้วยตรงแอนจิต จะเดินด้วยตรงแอนให้จิตใจมออันอบพลใจสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ให้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเห็นที่ไม่มีคุณค่าก็ให้มีคุณค่าต่อไปได้ก็ดูสึกความจินดีเพิ่มใจกัตมาก็อคอนโมตงาพวกญาติยอมนะก็ คนสาธมิตรทุกคนนะก็ให้ความมุ่มนผลใจต่อแขกนะจากทางประเทศก็ดีหรือว่าในเมืองจากกรุงเทพอะไรต่างๆก็ดีพวกเราก็เป็นที่อาบ้านนะเป็นอยู่ด้วยกันเป็นครบครัวแล้วก็วัดป่าสุกัโตนี่เป็นที่ อาศัยเพื่อแผ่เมตตากรุณงาโตทุกชีวิตทุกสัตว์ประสรนะครับเพือขอให้เจริญมีความสุกเจริญด้วยกัน